ออกลับเขาขาดจากหลวงพ่อกลมพระจันย์ยุกิพระจันธนูวิทย์อาจารย์วัฒนาชัยพระจันโนตพระอาจารย์สุริ น, ลนและก็โคลาดเพื่อนสาธมิกก็เจริญพรพวกไม่ฉีและก็พวกเราอุบาสกอุบาศิกาเนาะก็ที่นี่ก็ดีนะตรงที่ว่าแบบเรามีครบพุทธบริษัทเนาะ ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาเรียกเราก็อยู่คล้ายๆว่าอาศัยใบบุญของพระพุทธเจ้าเนาะก็พระพุทธเจ้าก็มีก็เรียกว่ามี <c oughs> มีใบบุญนะที่ให้เราได้อาศัยมาเป็นเวลาสองพันกว่าปี จนแบบแเรียกว่าเออแม้กระทั่งพุทธเจ้าก็ปรินิพานไปนาะนาะแล้วก็ยังเราก็ยังได้อาศัยอาศัยล่มเงาเนาะอาศัยล่มเงาของพุทธเจ้ามีความสุขมีความสบายตรงนี้ก็ความสุขความสบายตรงนี้ก็อาจจะต่างกับความสุขความสบายทางโลกเนาะอย่างนั้นแต่ว่าตรงนี้ก็คือสิ่งที่แบบพอเรามองแบบนี้เนี่ยแล้วก็โอ้มีคนคนนึงเนาะแบบว่า สองพันกว่าปีนะก็ยังมีอิทธิพลกับชีวิตของเราได้ขนาดนี้ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่โดยส่วนตัวก็มีความรู้สึกว่าพุทธเนาะพุทธน่านับถือเพราะเหตุนี้เนาะพุทธน่านับถือเพราะเหตุนี้แล้วสิ่งที่สําคัญก็คือเรียกว่าคําว่าน่านับถือก็หมายความว่าเราเองเราก็ อยากที่จะทําตัวให้เป็นแบบนี้ในสิ่งที่คิดแบบนี้ขึ้นมาเชื่อแบบนี้ขึ้นมาก็เพราะว่าหลวงพ่อกําเขียนเนาะหลวงพ่อคำเขียนเจอหลวงพ่อคำเขีย น, ยนปุ๊บเนี่ยมีความรู้สึกว่าโอ้เราได้กลับมาทบทวนเรื่องราวอะไรอีกหลายๆอย่างที่ไม่ใช่เรื่องราวอีกหลายๆอย่างเรื่องราวที่มีสาระกับการดาเนินชีวิต ทั้งหมดเนาะังั้นคือเมื่อก่อนก็เหมือนกับคล้ายๆว่าเราอยู่ทางโลกแล้วก็มีวิชาความรู้ในทางโลกนะที่จะดำเนินชีวิตไปแต่ว่าตรงนั้นก็การดำเนินชีวิตมันก็เป็นเหมือนกับว่าเราก็กินอยู่หลับนอนไปวันๆหนึ่งนะมีชีวิตไปวันๆหนึ่งมีประโยชน์บ้างไม่มีประโยชน์บ้างอะไรต่างๆนานาก็พยายามเนาะพยายามแต่ว่า เหมือนกับพอเจอหลวงพ่อเนี่ยคําพูดของหลวงพ่อมันจะเป็นคําพูดที่อเราทําให้เรามีความรู้สึกว่าคําพูดสั้นๆของหลวงพ่อนะเป็นคําพูดที่มีมีผลกับการที่จะช่วยให้เราดําเนินชีวิตได้ได้ถูกต้องเนาะอยเรื่องการพัฒนาตัวเองเราก็อยู่ทั้งโลกเราก็ว่าเราก็พัฒนาตลอดเนะเดี๋ยวเราก็ซื้อเสื้อใหม่ได้เราก็ หาเรื่องไอ้นูนไอ้นี่เนาะทาสีบ้านใหม่ปรับปรุงตรงนั้นปรับปรุงตรงนี้อะไรต่างๆก็เป็นเรื่องของการพัฒนาชีวิตเนาะเราก็ทำแบบนี้แต่สำหรับหลวงพ่อเองเนี่ยหลวงพ่อเองก็มีมุมมองของหลวงพ่อนะที่ก็เป็นคำพูดที่เราฟังปุ๊บแล้ว <c oughs> ก็น่าสนใจในเรื่องพัฒนาหลวงพ่อบอกว่าโอ้ทุกคนเนาะก็พยายามกาลังพยายามพัฒนาตัวเองอยู่นะ <c oughs> ตรงนี้เนี่ยก็พอเราฟังแบบนี้ปุ๊บเนี่ยบางทีเราก็ติคนนั้นติคนนี้อะไรต่างๆนะเราก็พอคําพูดของหลวงพ่อเ อ, อกมาคำหนึ่งแบบนี้นะเราก็มีความ ร, รู้สึกว่าเออจริงๆนะแต่หลวงพ่อก็ไม่ได้พูดเท่านี้นะหลวงพ่อก็ยังพูดอีกว่าคนที่เขากําลังพัฒนาตัวเองอยู่เนี่ยบางทีเนาะเขาก็อาจจะก็ เ, เรียกว่ายังไม่พบทางที่จะทําให้ตัวเองดีขึ้นนะจริงๆตรงนี้เนี่ย mm hmm. ก็เหมือนกับ นึกย้อนไปถึงตัวเองนะั่นก็อย่างที่บอกว่าบางทีเราก็พัฒนาตัวเองด้วยการพึ่งวัตถุสิ่งของที่มาพอกพูนกับตัวเองให้มากขึ้นแต่ว่าเราลืมไปว่าเรามีส่วนหนึ่งที่เราจะพัฒนาได้จริงๆก้าวหน้าได้จริงๆก็คือเรื่องของการที่พัฒนาจิตใจของเราตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เวลาที่ฟังหลวงพ่อแต่ละคําแต่ละคำํำเราก็จะมีความรู้สึกว่า มันความหมายที่หลวงพ่อพูดเนาะมันมีความมีความหมายที่กว้างใหญ่หลวงพ่อพูดครั้งหนึ่งเราก็ทําให้เราเหมือนกับว่าเราได้มองเห็นสิ่งที่เราจะเอามานํานํามาใช้เป็นประโยชน์กับชีวิตของเราจริงๆช่วยช่วยเราจริงๆเหมือนกับเวลาที่อ่านหนังสือเนาะสมัยก่อนพอเจอหลวงพ่อปุ๊บเนี่ยก็ตั้งใจเลยว่าเออนี่ ตั้งแต่นี้ต่อไปเนี่ยหลวงพ่อยเองก็เป็นพระเนาะเป็นพระในพุทธศาสนาก็ตั้งใจว่าเราจะเหมือนกับคล้ายๆว่าจะสวดมนต์เนาะจะสวดมนต์สวดมนต์แล้วก็ตั้งใจว่าเออนี่จะสวดมนต์ให้จําให้ได้ก่อนที่จะมาบวชอะไรอย่างเงี้ยก็เอาหนังสือสวดมนต์ที่ที่นี่ใช้อยู่อย่างเงี้ยไปสวดมนต์ สวดมนต์ก็ปรากฏว่าพอสวดมนต์ไปคําแปลที่นี่ก็ดีมีคําแปลแล้วก็ดูเนาะอ่านดูคําแปลตอนแรกก็มีความรู้สึกอทําไมมันไม่ราบรื่นมันไม่มันมันแบบก็เรียกว่ามันติดติดขัดขัดหนังสือทําไมภาษามันเป็นแปลกๆนะเราก็เป็นธรรมดาเนาะของคนทางโลกนะก็ต้องมองอย่างอื่นแปลกๆนะเราก็ลืมมองว่าจริงๆแล้วตัวเองก็ อาจจะยังไม่คุ้นเคยกับภาษาธรรมอาจจะยังไม่คุ้นเคยกับภาษาที่อยู่ในหนังสืออะไรต่างๆนั่นๆนะแล้วเราก็คิดดัดแปลงไปนะเอ๊อันนี้คํานี้น่าจะเป็นอย่างนั้นคํานั้นน่าจะเป็นอย่างนี้แต่ว่าพอเอาเข้าจริงๆเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเอ๊แบบก็ชื่นชมนะเพระาะว่าหนังสือที่ใช้อยู่ก็จะเป็นหนังสือที่เหมือนกับท่านพระอาจารย์พุท ธ, ธา แปลเอาไว้แล้วก็ยังบทสวดมนต์ที่เราใช้กันอยู่ตรงนี้ส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งก็มาจากส่วนที่หลวงพ่อพุท ธ, ธาสแปลเอาไว้เรืกรองควองค์ทำไมถึงได้แปลได้เก่งขนาดนี้นะอะไรอย่างเงี้ยทํานองเดกันพอแปลได้เก่งแล้วก็นึกถึงพระเจ้านะว่าองค์พระเจ้าเองเนาะมันก็มีสิ่งที่อยู่ในหนังสือว่าเออมันมีอัฏฐะเนาะและมีพยัญชนะพยัญชนะก็หมายถึงตัวหนังสือที่เราเห็นอัฏฐะก็หมายถึงว่า ความลึกของเนื้อหาที่มันลึกกว้างไกลลงไปก็เหมือนกับหลวงพ่อเวลาที่หลวงพ่อเองพูดอะไรออกมาคํานึงเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าโดยส่วน ต, ต, ตัวแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราเก็บเอามาใช้ได้เป็นประโยชน์กับตัวเองในทันทีอย่างนี้เนาะเก็บเอามาใช้เป็นประโยชน์กับตัวเองได้ในทันทีตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่แบบเขาเรียกว่าพอเมองลงไปเราะ เพราะอะไรทำไมหลวงพ่อถึงได้พูดเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยนะก็ต้องต่อลงไปนะว่านี่เป็นเพราะว่าหลวงพ่อปฏิบัตินะกรรมาฐานแบบนี้ถึงจะมีผลเป็นแบบนี้นคำว่าทําให้ดูอยู่ให้เห็นก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับตั้งแต่รู้จักกับหลวงพ่อมายี่สิบกว่าปีเนาะยี่สิบกว่าปีนั่นเป็นความรู้สึกว่าเออสิ่งที่ หลวงพ่อทำให้ดูอยู่ให้เห็นจะเป็นการอยู่การกินจะเป็นการพูดจะเป็นการเทศจะเป็นอะไรต่างๆนานานะตรงเนี้ก็เป็นสิ่งที่ก็ยังประทับใจในหลวงพ่อตลอดมายังเห็นข้อแบบว่าข้อข้อที่เราแบบสามารถเก็บเอามาใช้ได้ในทุกๆในทุกๆวันนะต้งเลีกในทุกๆวันในส่วนที่ ชอบหลวงพ่อเทศอันหนึ่งก็คือพอเวลาที่หลวงพ่อเทศถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยหลวงพ่อก็จะทำให้พระพุทธเจ้าเนี่ยกลายเป็นคนธรรมดาเนาะกลายเป็นคนธรรมดาลงมาซึ่งสมัยก่อนในเวลาที่จำได้ว่าเวลาที่เราเรียนพุทธศาสนาอะไรต่างๆเรียนศีลธรรมเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะเราจะเป็นความรู้สึกว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่คนนะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่ ที่เป็นเหมือนกับเป็นสัญลักษณ์หรือเป็นอะไรต่างๆไม่ใช่ไม่ใช่คนที่มีชีวิตจริงๆอย่างเราอะไรเงี้ยแต่เวลาที่หลวงพ่อเทศหลวงพ่อก็จะเทศเนาะบอกว่าพระเจ้าใช่ไหมในมุมมองที่หลวงพ่อมองอย่างเงี้ยสิ่งที่พระเจ้าทำได้เนาะพระเจ้าก็เป็นคนเหมือนเราเนาะมีแขนสองแขนมีขาสองขามีคอตั้งอยู่บนบา่ามีทุกอย่างเหมือนเราอะไรเงี้ย คือคำพูดของหลวงพ่อก็ง่ายๆแนละ้วแต่ว่าพอเวลาที่เราพบสาระในคำพูดนั้นเรามีความรู้สึกว่าโอ้นี่สิ่งที่เมื่อก่อนเรามีความรู้สึกว่าสิ่งที่พระเจ้าตรัสรู้ก็จะเป็นสิ่งที่เหมือนกับมันก็เป็นสิ่งที่เป็นความพิเศษของบุคคลคนหนึ่งนะในโลกนี้ที่ท่านก็ทำสำเร็จของท่านไม่เกี่ยวกับเราเลย แต่ว่าพหลวงพ่อาาพูดหลวงพ่อก็บอกว่าความสําเร็จของพุทธเจ้าความสําเร็จของพุทธสาวกก็น่าจะเป็นความสําเร็จของเราได้นะอะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่ เ, ออเราไม่เคยฟังไม่เคยฟังจากพระรูปไหนมาก่อนหลวงพ่อเวลาเทศเวลาเทศก็เมื่อก่อนนี้ก็จะมาพยายามที่จะมามาที่วัดนี้เนาะมาที่สุขโตเนี่ย ในวันสําคัญต่างๆพระชอบหลวงพ่อเทศถึงวันวิสาขะเทศถึงอะไรต่างๆนาๆนาเหล่านี้เนี่ยเราก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่าเราเรานั่งอยู่ตรงนั้นจริงๆในวันนั้นอะไรเงี้ยอ๋อนี่เรานั่งใต้พระจันทร์ดวงนี้เนาะอะไรต่างๆค่ําคืนมืดมิดอย่างนี้อะไรต่าง ๆ, าง ๆ, ๆ, ๆก็มีความรู้สึกว่าสิ่งต่างๆที่หลวงพ่อได้พูดธรรมะที่หลวงพ่อได้ให้ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ก็ นับถือหลวงพ่อนะอย่างที่นี่สุกโตนี่ก็เป็นสิ่งที่หลวงพ่อเองก็ตั้งใจว่าที่นี่หลวงพ่อบอกว่าอยากให้ที่นี่เป็นป่าอิสิปตนะมฤคทายวันทำไมหลวงพ่อพูดแบบนั้นเพราะหลวงพ่อก็บอกว่าใครจะมาปฏิบัติธรรมแบบไหนก็ได้แล้วก็จริงๆหน้าวันที่หลวงพ่อพูดตอนนั้นเนี่ยที่วัดเราก็มีก็เรียกว่ามีเดี๋ยวก็มี เขาเรียกว่าภิกษุณีมหายานมาเนาะภิกษุณีมหายานมาหลวงพ่อก็จะแบบว่าก็จะให้เกียรติเขาเดี๋ยวก็มีเขาเรียกว่ามีพระฝรั่งเนาะจากก็เรียกว่าจากพมา่าบ้างจากออสเตรเลียบ้างจากนู่นจากนี่บ้างเลยต่างๆ น, นานามาหลวงพ่อก็ให้เกียรติเขาอย่างดีเนาะอย่างนีน้ไม่ว่าเขาจะสนใจการปฏิบัติ แบบที่หลวงพ่อทำอยู่หรือไม่สนใจการปฏิบัติแบบที่หลวงพ่อทาอยู่อะราหลวงพ่อก็ใจกว้างมากนะนตรงเนี้ยก็คือหลวงพ่อบอกว่าเออถ้าที่นี่เป็นที่ที่จะอาศัยให้คนได้มาปฏิบัติธรรมกันเนี่ยหลวงพ่อก็ยินดีซึ่งณนะสมัยนั้นในสมัยพุทธเจ้าก็เหมือนกันพุทธเจ้าเองก็เดินตรงเข้าไปที่ป่าอิสิปตนะตอนที่พุทธเจ้าบวชออกจากวังนะงนนที่ตรงนั้นก็มีอะไรหลายๆอย่าง นั่นนัคืออย่างเนี้ยเนาะมันเป็นเรามีความรู้สึกว่าเออนี่ที่นี่เนาะก็เป็นที่ที่หลวงพ่อพูดหลวงพ่อก็ทําจริงๆหรือพ่าพูดหลวงพ่อก็ทําจริงๆคือสิ่งที่ก็เรียกว่าเราค่อยๆมองค่อยๆมองคนที่เราศรัทธาตรงนี้เนี่ยนะมีความรู้สึก <tr ust os> ว่าเราอยากทําให้เหมือนอยากทําให้เหมือนตรงนี้ไม่ได้มาหมายถึงว่าเราอยากที่จะเรียนแบบแต่ว่าทํานองเดียวกันเนี่ย มันหมายความว่าเราอยากเอาสิ่งที่หลวงข้อสอนเนี่ยมาปฏิบัติให้ได้ตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่สําคัญนะพุทธเจ้าเองอย่างเมื่อกี้พระอาจารย์พระทชัยก็พาสวดเนาะพาสวดบทคําสอนของพุทธเจ้าเนี่ยอย่างใช่ไหมเมื่อกี้บอกว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราวตถาคตผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้น ผู้ใดเห็นปฏิจะสมุปปบาทผู้นั้นเห็นธรรมคือตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราก็นึกย้อนไปถึงตอนที่พระเจ้าปรินิพานจะปรินิพานนะพระเจ้าก็บอกแบบว่าก็พระเจ้าก็ไม่ได้อยากให้ใครนะตั้งใครขึ้นมาเป็นตัวแทนอยากให้เอาก็เรียกว่าเอาพระธรรมเอาวินัยเนี่ยเป็นตัวแทนของพระเจ้าซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เออ นะบุคคลคนหนึ่งที่มีคนแวดล้อมทีหนึ่งเราก็ฟังฟังดูในพุทธ ก, การนะเดี๋ยวมีคนเป็น500เดี๋ยวมีคนเป็นหมื่นเดี๋ยวมีคนเป็นสอง 0,000 ื่นห้อมล้อมอยู่อะไรเงี้ยบุคคลคนหนึ่งไม่เขาเรียกว่าไม่ได้เอาตัวเองขึ้นมาเป็นก็ เ, เรียกว่าเป็นใหญ่เนาะแต่ว่าให้ถือคําสอนเนาะแล้วก็คําสอนตรงนั้นก็เป็นคําสอนที่ให้เอามาปฏิบัตินะหลวงพ่อเองก็จะพูดอยู่เสมอๆว่า อย่าเชื่อหลวงพ่อนะเอแบบว่าให้ลองเอาไปปฏิบัติดูก่อนตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่ามันก็เป็นจิตวิญญาณของทงพุทธเราก็เป็นแบบนี้เนาะจิตวิญญาณของทงพุทธเราก็เป็นเรื่องที่เหมือนกับว่าเหมือนที่พระจันโนธได้พูดกับพวกเราเลมอนฟาร์มที่มาเนาะอย่างนั้นมาเออนี่การที่เราปฏิบัติธรรมเนี่ยก็เพื่อให้เราได้รู้ความจริงเนาะ ความจริงของชีวิตเราความจริงของกายของใจเราตรงเนี้ก็คือสิ่งที่นี่คือธรรมะเนาะมีไว้เพื่อปฏิบัติแบบนี้ปฏิบัติแบบนี้แล้วจะมีผลยังไงก็มีผลแบบที่พระพุทธเจ้าเป็นเนาะว่ามีผลแบบพระพุทธเจ้าเป็นก็คือมีผลแบบที่ไม่ทุกเนาะแล้วก็ท้ายสุดเนี่ยก็คือผลของความไม่ทุกตา น, นั้นก็จะไปแก้ทุกขให้กับคนอื่นได้ด้วยตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเนี่ย ก็จะมีจากเขาเรียกว่าจากคําสอนจากการปฏิบัติในทางโลกเราก็มีวิชาหลายอย่างเนาะที่เราได้เรียนมาแต่ไม่มีวิชาแบบไหนที่ทำอย่างเดียวเนาะแล้วได้ประโยชน์ทั้งตัวเราแล้วก็ได้ประโยชน์ทั้งคนอื่นพร้อมๆกันไม่มีทบทวนได้เลยไม่มีตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่แบบว่าเออนี่ทางพุทธนี่จะเป็นสิ่งที่เป็นแบบนี้าว่า ไม่เบียดเบียนของพุทธเจ้าก็ไม่เบียดเบียนตัวเองแล้วก็ไม่เบียดเบียนตัวคนอื่นไป พ, พร้อมๆกันในการกระทําอย่างเดียวตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่ทางพุทธเองก็มีก็เรียกว่ามีเอกลักษนณะ์มีเอกลักษณ์ที่ต่างจากทั้งโลกอย่างหลวงพ่อเองเนี่ยก็พูดพูดคำนี้เนาะให้ได้ยินหลวงพ่อบอกว่าความรับผิดชอบตัวเองเนะ หมายถึงเราเองเนี่ยจะไม่ทําให้ตัวเองทุกข์เมื่อเราไม่ทําให้ตัวเองทุกข์ก็จะไม่ทําให้คนอื่นรอบข้างทุกข์ด้วยตรงนี้เนี่ยก็มันก็เป็นความหมายนะเป็นความหมายเป็นความหมายที่เราทําเรื่องเดียวเองเนาะเท่านั้นเองแต่ว่าทํานองเดียวกันเนี่ยโอ้โหผลเนี่ยกว้างใหญ่มากๆกว้างใหญ่มากๆแล้วก็เราก็ทําได้จริงๆด้วยนะอย่างเนี้ยมาเออเรา ตั้งแต่เล็กจนโตมาเราก็ได้ยินคำรับผิดชอบตัวเองเด็กๆทุกคนก็ต้องได้ยินพวกเราค็เคยได้ยินแต่ว่าความรับผิดชอบของหลวงพ่อที่หลวงพ่อพูดหลวงพ่อเติมเพียงแค่เรารับผิดชอบตัวเองได้เราจะไม่ทำให้ตัวเองทุกตรงเนี้ยคำที่หลวงพ่อเติมเข้ามาเนี่ยว่าเราจะไม่ทำให้ตัวเองทุกมันเป็นความหมายที่ ช่วยขยายความว่าความรับผิดชอบตัวเองคืออะไรบางครั้งความรับผิดชอบของตัวเองอาจจะหมายถึงรับผิดชอบในการตื่นรับผิดชอบในการอ่านหนังสือรับผิดชอบในการกวาดบ้านถู บ, บ้านอะไรต่างๆนานาเหล่านี้นะมันก็อาจจะเป็นความรับผิดชอบที่ก็ดีมากแล้วนะแต่ว่าพอหลวงพ่อเติมก็มาว่าเออไม่ทําให้ตัวเองทุกเนี่ยมันทําให้เราได้เห็นถึงว่าโอ้มันยังมีอีกหลายๆเรื่องเนาะ เพียงแค่ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องนอกกายที่เราต้องทำแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันหมายถึงว่าเรามีเรื่องในใจที่เราต้องทำด้วยแลนะทำนองเดียวกันเนี่ยถ้าเราไม่ทุกเนี่ยนะคนอื่นก็จะไม่ทุกตามเราซึ่งตัวนี้ก็เราก็เห็นเห็นทันทีนะว่าเออในขณะที่หลวงพ่อพูดเรื่องนี้เนี่ยหลวงพ่อก็พูดในขณะที่ตัวเองกาลังป่วยอย่างเงี้ยนะแล้วเราก็กาลังเหมือนกับว่าไปช่วย ช่วยหลวงพ่อทำในสิ่งที่หลวงพ่อไม่สามารถทําได้ในตอนป่วยนั่นนัคือเรื่องนี้พอเป็นแบบนี้เนี่ยเราก็มองเห็นนะหลวงพ่อป่วยเนี่ยไม่เคยทําให้เราทุกข์เลยทั้งทั้ที่ธรรมดาคนป่วยเราดูแลคนป่วยก็ไม่ใช่ไม่เคยดูแลก็เคยดูแลคนป่วยมาก่อนแต่พาปรากฏว่าความทุกข์ของเขาก็ทําให้เราทุกข์ไปด้วยเราก็ดูแลคนป่วยไปด้วยแล้วเราก็ทุกข์ไปด้วยป่วยทางใจไปด้วย โอยเมื่อไหร่เขาจะหายเขาจะเป็นยังไงจะหายไหมนี่อะไรต่างๆนานาเหล่านี้จะรอดหรือเปล่าจะตายไหมอะไรต่างๆนานาเหล่านี้อะไรอย่างนี้นะคือสิ่งต่างๆนานาเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่พอเราเทียบเคียงกับชีวิตเนาะบางทีสิ่งที่หลวงพ่อพูดปุ๊บเนี่ยเราก็คิดย้อนไปถึงอดีตที่เราที่เราเคยสัมผัสสัมพันธ์ที่เราเคยทํามาต่างๆนานาแล้วก็เทียบกับปัจจุบันที่เราเห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ย โอ้มันเป็นคนละเรื่องกันคนละเรื่องกันมากๆาเลยอย่างตอนที่หลวงพ่อแบบว่าหลวงพ่อป่วยก็จะมีส่วนที่หลวงพ่อจะหายใจไม่ออกซึ่งธรรมดาแล้วก็รู้นะมันถ้าเกิดว่ามีอะไรติดหลอดลมปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดมีปัญหาก็คือภายในนาทีสงนาทีก็เสียชีวิตแล้วอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าหลวงพ่ อ, อยาติดหลอดลมเนาะ หลวงพ่อก็บอกเราบอกว่าถึงลวงพ่อหายหลวงพ่อก็ตายนะ <c oughs> ก็เป็นคำพูดที่แบบว่าออมีคนคนหนึ่งที่ทในสภาวะวิกฤตแบบนี้เนี่ยยังบอกเราได้แบบนี้เออแล้วก็บอกด้วยอากับกิริยาที่เป็นปกติด้วยไม่ใช่บอกด้วยอากับกิริยาที่เป็นเป็นอะไรต่างๆนาน า, นานคำพูดสั้นๆเราเองเราสามารถที่จะเก็บมาเก็บมาใช้กับชีวิตได้แบบไม่เฉยเลย เก็บมาใช้กับชีวิตได้แบบว่าทุกบททุกตอนตรงนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เออคำพูดแบบนี้นะที่เขาเรียกว่าเป็นธรรมะเนาะเป็นธรรมะที่ก็จะว่าเป็นของใคร <c oughs> เป็นเฉพาะของหลวงพ่อก็ไม่ใช่แต่ก็ใช้ได้กับทุกๆสถานการณ์ใช้กับชีวิตเนาะเราก็สามารถที่จะใช้เรื่องนี้ไปพูดคุยกับคนนู้นคนนี้อะไรต่างๆ า, านาเหล่านี้ ไม่ใช่ว่าคุยให้ฟังแต่หมายถึงว่าเมื่อเราเห็นสถานการณ์ที่เ ร, เรียกว่าเหมาะสมเราก็หยิบคำนี้เอามาใช้มันก็ดูดีคําพูดของหลวงพ่อจะเป็นคําพูดที่ไม่ยืดไม่ยาวเนาะเป็นคําพูดสั้นๆอย่างเวลาที่พวกเราปฏิบัติธรรมกันตรงนี้อะไรเงี้ยการปฏิบัติธรรมของหลวงพ่อหลวงพ่อก็จะแนะนาการปฏิบัติธรรมแบบ แนะนำปฏิปธรรมแบบง่ายๆเนาะแบบว่าเมื่อมีกายเคลื่อนไหวให้เอาใจมาคอยรับรู้แบบนี้เนี่ยเมื่อมีกายเคลื่อนไหวให้เอาใจมาคอยรับรู้คำพูดแบบนี้ก็เป็นคำพูดที่เราฟังปุ๊บเราก็ไม่ลืมนะฮะมันก็เป็นคำพูดสั้นๆแล้วก็คำพูดที่คล้องจองแต่ว่าการไม่ลืมของเราเนี่ยหลวงพ่อก็จะมีคำพูดตัดต่อมาอีกในหลายๆวล ทำได้แล้วหรือยังอย่างเงี้ยนะทำได้แล้วหรือยังบางทีเราก็ลืมไปนะว่าสิ่งที่หลวงพ่อพูดนะัเราก็เห็นเนาะการขยับมือขยับไม้แบบที่ที่ที่นี่ที่สุกโตโทํากันอยู่อนะไรเงี้ยเราก็เห็นบางทีเราทําบางทีเราก็ไม่ได้ผนวกเอาเนาะกับหมายถึงว่าในกริยาท่าทางกับในความหมายนะมันตรงกันไหมเรียกว่า เนื้อหาสาระกับรูปแบบเนี่ยตรงกันหรือเปล่าบางทีเราก็แบบว่าเราก็แบบเคลื่อนไหวไปเนาะแต่การเคลื่อนไหวของเราใจเราก็ลอยไปอีกทางหนึ่งอย่างเงี้ยในขณะที่ <laughs> ใจเราลอยไปอีกทางการเคลื่อนไหวของกายใจก็ไม่ได้มารับรู้แบบนี้นะอย่างเงี้ยซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับว่ามันก็มันก็เป็นสิ่งที่บางที เราเองอยู่ในโลกนะเราก็สนใจรูปแบบมากกว่าสนใจเนื้อหานิสัยของเราเราก็ยังคงเป็นอย่างนั้นอยู่เนาะในขณะที่เรากาลังขัดเกลาตัวเราเองอยู่นิสัยที่เคยติดติดมาอยู่ก็เป็นสิ่งที่เราเองเราก็ต้องระมัดระวังตัวเองนั้นนั่นคือการที่เราเริ่มยกมือสร้างจังหวะก็ดีเนาะบางทีเราก็ทำไปตามที่เราเคยเคยชินอยู่เนาะเคยชินเคยชินในรูปแบบ แต่ไม่มีเนื้อหาแบบนี้นั่นนั่นคือคําสอนที่มาบอกว่าเมื่อกายเคลื่อนไหวเนี่ยเอาใจมาคอยรับรู้ตรงนี้เนี่ยก็ เ, เป็นสิ่งที่เหมือนกับเหมือนกับกินไม่หมดนะกินไม่หมดเพราะว่าพอเราปฏิบัติไปประลามปฏิบัติไปเนี่ยเราก็จะพบว่าธรรมชาติของจิตมันก็เป็นแบบนี้เนาะจิตมันไม่ใช่เป็นก้อนหินก้อนดินที่หยิบวางตรงไหนแล้วมันก็อยู่ตรงนั้นเลยออย่างเงี้ยจิตเนี่ยหลวงพ่อก็จะอธิบายบอกว่า จิตเนี่ยธรรมชาติของจิตมันเหมือนลิงมันเหมือนลิงมันแบบว่ามันเคลื่อนไหวไปมาไม่ยอมหยุดนะใช่ไหมอย่างเนี้ยมันซนอย่างเงี้ยนะตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่พอหลวงพ่ออธิบายปุ๊บเราก็เห็นภาพนะอย่างเนี้ยเห็นภาพแต่พอเวลาที่เราปฏิบัติเนี่ยเราก็นึกเนาะอย่างว่าพอแล้วเอ๊ะเราเหมือนกับว่าเราทําไปเราก็อยากที่จะตรึงไอ้จิตเอาไวนะ้เนาะที่ใดที่หนึ่งเลยอย่างเงี้ย นี่ตรงนี้เนี่ยพอเวลาที่เราทําเวลาที่เราทําไปทําไปจิตมันก็มีธรรมชาติกับมันมันก็จะไม่มันก็ไหลไปไหลมาเดี๋ยวไหลไปทางตาเดี๋ยวไหลไปทางหูเดี๋ยวไหลไปทางเลยต่างๆนานาเหล่านี้อายตนะต่างๆที่มีอยู่ตรงนั้นก็เป็นสิ่งที่อ๋อเราทําไปทําไปเราก็เห็นอันนี้เออธรรมชาติมันเป็นแบบนี้เนาะไอ้การที่เหมือนกับว่าจะคอยเนาะเหมือนกับว่าคอยทําในเรื่องของการที่เรา เหมือนกับคอยให้จิตกลับมาอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายคอยให้จิตกลับมาอยู่กับความเคลื่อนไหวของร่างกายตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับก็เป็นเหมือนกับเป็นหน้าที่อันหนึ่งแต่ทำานองเดื่งกันหน้าที่อันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นหน้าที่ที่เหมือนกับว่าเราก็จะมีตัวช่วยอีกตัวหนึ่งก็คือเราไม่ต้องพยายามมากนักเพราะว่าเราที่นี่เราจะมีความรู้สึกตัวหรือมีสติเนาะที่ช่วยเราอยู่ การที่เรากําลังจเจริญสติกันอยู่จเจริญสติกันอยู่ก็เราจะเรียกว่าปฏิบัติธรรมก็ดีอยากจะเรียกว่าภาวนาก็ดีอะไรเงี้ยตรงนี้เนี่ยหลวงพ่อเองก็จะพูดอยู่คํานึ่งบอกว่าการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เรื่องลึกลับนะแต่เป็นเรื่องลึกซึ้งอย่างเนี้ยเออคาพูดของหลวงพ่อก็เป็นคําพูดที่มันเป็นคําที่เราก็เคยนึกถึงว่าการปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องลึกลับซับซ้อนมันไม่ใช่เป็นเรื่องของชีวิตนี้เนี่ย เราจะทำเพราะมันเป็นเรื่องของใครบางคนเป็นพิเศษพิเศษไปอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าตรงนี้เมื่อก่อนเราก็มองการปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องลึกลับแต่พอหลวงพ่อเนี่ยมาขยายความว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องลึกซึ้งนะเรื่องสติตรงนี้เนี่ยหลวงพ่อก็เทียบสติเป็นเป๊ปซี่นะหลวงพ่อก็บอกว่าอา้าเราคนกรุงเทพเนาะกินเป๊ปซี่กี่วันติดอย่างเงี้ยเจ็ดวันไหมอะไรอย่างเงี้นะอย่างนั้น ใช่ไหมก็เราก็นึกถึงนะหมาถ้าเกิดว่าเรากินเป๊ปซี่นะเป๊ปซีก่ก็ทําให้เราติดอยู่แล้วเนะไม่เกินจิตบันไม่เกินเจ็ดวันกินไปกินไปเดี๋ยวก็ติดอย่างเงี้ยเนี่ยตรงเนี้ยธรรมะนะในทางหลวงพ่อสติก็เหมือนกันลราลองเสรสติดูสิเสรสติไปกับการเคลื่อนไหวของเราเนี่ยเนะทุกๆความเคลื่อนไหวที่เราสร้างขึ้นเนี่ยนะนะมีสตินะที่จะคอย รู no ้ความเคลื่อนไหวของกายมีสติที่จะคอยรู้ใจที่คิดนึกแบบเนี้ยนะเราใช้สตินะทุกวินาทีทุกวินาทีที่หลวงพ่อบอกนะเคลื่อนไหวครั้งหนึ่งก็บินาทีหนึ่งเคลื่อนไหวครั้งหนึ่งก็บินาทีนึงพอเราเคลื่อนไหวครั้งหนึ่งก็มีสติครั้งหนึ่งเคลื่อนไหวครั้งหนึ่งมีสติครั้งหนึ่งเนี้ยตรงเนี้ยเวันเนาะก็เดี๋ยวเราก็ติดนะอย่างเนี้ยจะมาถ้าเสพเเสพเสพถ้าเราเสพไปบ่อยเสพบ่อยเเสพบ่อยก็ติด พอเราติดแล้วเนี่ยความพยายามที่เราจะเหมือนกับว่าคอยที่จะกลับมาเนาะแบบว่าเหมือนว่าที่เราคอยปฏิบัติแรกๆก็เหมือนกับว่าคอยเอาใจกลับมาอยู่การเคลื่อนไหวของร่างกายคอยเอาใจอยู่กับมากบมาอยู่กับความเคลื่อนไหวของร่างกายมันก็จะไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราต้องพยายามอีกต่อไปเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ออนี่พอเราทาไปทำไป มันก็มีสิ่งที่สติเขาก็ทำหน้าที่ของเขาไปเองแล้วก็ไม่ต้องพยายามมันก็เหมือนกับเราทำอะไรมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยเนาะพราะเราเพียรที่จะทำ แ, แรกๆเนาะมันก็อาจจะยุ่งยากบ้างแต่ว่าพอเราทาไปบ่อยๆทาไปบ่อยๆทำไปบ่อยๆตรงนี้มันก็จะเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นเป็นเป็นเนื้อเป็นตัวของเราไปเองบางคนอาจจะทำอันนี้เก่งบางคนอาจจะทำอันนั้นเก่งบางคน อย่างพระจันรณนรงค์วิทย์นะท่านก็แบบว่าจะเก่งเรื่องไฟนะเนาะก็ถามว่าแบบวันนี้แบบว่าพอเวลาที่ขอความช่วยเหลือของท่านเรื่องไฟก็มั่นใจนะว่าไม่เป็นภาระของท่านเพราะว่าท่านก็คงไม่ต้องคิดว่าเอ๊ะแบบคิดยุ่งคิดยากว่าเอ๊ะอันนี้เป็นอะไรผิดกับอย่างตัวหลวงพ่อเองนะหลวงพ่อเองถ้าพูดถึงเรื่องไฟนี่โอ้โหแบบเรียกว่าคิดไม่ออกเลยนะ <c oughs> ไม่รู้จะทํำยังไงเพราะเราไม่มีความรู้ความชํานาญนะถึงนี้นะนั่นนั่นคือตรงเนี้ยนะว่าเออเวลาที่เราปฏิบัติธรรมกันเนี้ยเราทําเรื่องเดียวเนาะหลวงพ่อบอกลองทําเรื่องเดียวทําให้เก่งก่อนเวลาอย่งเวลาที่หลวงพ่อแบบว่าแนะนําการปฏิบัติธรรมอ่างเงี้ยหลวงพ่อก็จะบอกก็มีคนถามนะเอ๊ะเราจะทําแบบนั้นดีไหมเราจะทําแบบนี้ดีไหมจะทําแบบโน้นดีไมอะไรอย่งตานาน า, นานเหล่านี้หลวงพ่อก็บอกว่าลองทําดูก่อนลองทำมันนี้ดู แล้วก็ให้เราลองทําอย่างเดียวทําให้เก่งเนาะอย่างเงี้ยการที่เราปฏิบัติธรรมกันตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าไม่ใช่เป็นเรื่องยุ่งยากอะไรและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนาะหลวงพ่อเองก็ยังบอกอีกนะอย่างที่นี่เนี่ยปฏิบัติธรรมเนาะไม่มีการสอบอารมณ์นะอย่างที่อื่นเราก็จะมีความ ร, รู้สึกว่าโอ้ท่านทาปฏิบัติธรรมเนี่ยแล้วแบบว่าถ้าเกิด แบบไม่มีใครมาคอยช่วยดูไม่มีใครมาช่วยจับมือเหมือนกับเราแบบเขียนหนังสือไม่ได้แล้วก็ต้องมาจับมือช่วยช่วยเราแบบจับมือสอนนะนะถ้าเรียกแบบถ้าไม่ทําแบบนี้คงไม่ได้แต่นพ่อพูดง่ายๆบอกว่าที่นี่เนี่ยปฏิบัติธรรมเนี่ยตัวเราเองสอบอารมณ์ตัวเองถ้าเอ๊ะก็ไม่ใช่ถ้าอ้อก็ใช่ตรงนี้นะเป็นสิ่งทีเ่เวลาที่เราเองมี การปฏิบัติธรรมบางทีที่นี่ก็มีการปฏิบัติธรรมแบบว่าบางทีก็จะแนะนําเหมือนกับว่าวันนี้เราลองไม่พูดดูอะไรอย่างนี้นะ <p> ก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับไม่ใช่ชีวิตของเราทั้งชีวิตเราอาจจะไม่เคยทําแบบนี้มาก่อนเลยไม่เคยตั้งใจไม่พูดแต่เราอาจจะไม่พูดเพราะเราไม่ชอบหน้าใครอาจจะเป็นไปได้นะแต่ว่าเวลาที่เราตั้งใจไม่พูดจริงๆเนี่ยเป็นเรื่องที่โอ้เป็นเรื่องแปลกใหม่มากๆแล้วก็พอเราเหมือนกับพอเราตั้งใจไม่พูดแบบนี้เนี่ย เราก็พบว่าอสิ่งที่หลวงพ่อบอกเอาไว้เนี่ยอย่างที่บอกบอกว่าถ้าเอ๊ะก็ไม่ใช่ถ้าออก็ใช่อย่างเงี้ยนะมันเป็นสิ่งที่ช่วยเราจริงๆเพราะว่าพอเรามีปฏิบัติทําไปแล้วก็มีติดขัดแล้วก็นึกอยากถามพอนึกอยากถามแล้วก็มีความรู้สึกแบบว่าเออนี่วันนี้เราตั้งใจไม่พูดนะอะไรเงี้ยพอเราปฏิบัติไปปฏิบัติไปแล้วก็มีความรู้สึกอ้อเดี๋ยวเราตั้งใจไม่พูดมันก็ช่วยให้เราได้พบเห็นว่าอ๋อการปฏิบัติเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ เดี๋ยวก็มีคําตอบออกมาเองสิ่งที่เราสงสัยอยากถามเดี๋ยวก็มีคําตอบมาเองเพราะมีคําตอบเราก็อ๋อจำพวเราปฏิบัติติดแล้วก็เอ๊ะอย่างเงี้ยนะอย่างนั้นะนั่นก็นนคือสิ่งที่หลวงพ่อบอกเอาไว้ว่าอ๋อนี่คําพูดธรรมะที่หลวงพ่อช่วยเราเนี่ยช่วยกํากับเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เออมันเป็นคําพูดสั้นๆมันเป็นคําพูดที่ช่วยเราได้มากๆอย่างเวลาที่เราปฏิบัติธรรมเนี่ย นิสัยของเราก็จะมีนิสัยอันนึงนะที่ก็เรียกว่านิสัยที่สนใจเรื่องนอกตัวสนใจเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรต่างๆหลวงพ่อก็จะมีคำพูดสั้นๆเอาไว้ให้อีกคำหนึ่งนะหลวงพ่าก็บอกบอกว่าเออเรื่องที่น่าสนใจมันก็มีเยอะนะแต่หลวงพ่อสนใจเฉพาะเรื่องอะไรที่มันทำให้เราไม่ทุกข์นะตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ เออช่วยก็ช่วยขโมดนะช่วยขโมดเพราะบางทีเราก็สนใจหนังสือพิมบ้างทีเราก็สนใจเทคโนโลยีใหม่ๆบางทีเราก็สนใจนู่นสนใจนี่อะไรต่างๆมันก็น่าสนใจนะแต่ว่าทํานองเดียวกันถ้าหากว่าเราจะพาตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวต่างๆนานาเดล่านี้เนี่ยถ้าเรามีเรื่องช่วยกํากับตัวเองอีกนิดนึงเราสนใจแค่ไหนถึงจะไม่หาทุกใส่ตัวเนี่ย มันจะเป็นเรื่องที่ดีมากๆคําว่าหาทุกใส่ตัวนี้ไม่ได้มาหมายถึงว่าหาเรื่องแบบว่าแบบในทางโลกนะไม่ได้หมายถึงว่าที่เราบอกว่าไม่คนอื่นเดือดร้อนแล้วเราก็ไม่ไปยุ่งกับเขาเพราะเราจะไปแบบว่าจะไปหาทุกใส่ตัวอันนั้นไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าคําว่าหาทุกใส่ตัวก็หมายถึงว่าเราณวันนี้พวกเรามาอยู่กันตรงนี้ พวกเราเองอยากจะหาวิชาวิชาหนึ่งก็คือวิชาที่ทำยังไงถึงไม่ทุกเนี่ยถ้าหากว่าเป้าหมายแล้วชัดเจนอย่างนี้ปุ๊บเ น, เนาะเราก็แบบว่าลองเนาะแบบว่าถือเป้าหมายอันนี้อยู่ในก็เรียกว่าอยู่ในความทรงจําของเราเวลาที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวต่างๆนานาเหล่ า, น, า, น, า น, นี้เนี่ยอย่างเมื่อก่อนเนี่ยเราก็จะเกี่ยวข้องอย่างที่เราลืมเขาเรียกว่าใจของเราที่จะเป็นตัวเปิดรับทุกข์ แต่ว่านั่นคือเราเองเราก็จะหลุดไปจากไปหลุดไปกับความอยากของเราเนาะเราเอาความอยากของเราเป็นตัวนําแล้วก็เข้าไปเกลือกลั่วกับสิ่งต่างๆนาน า, นานเหล่านั้นอย่างไม่ทันได้ระมัดระวังจิตใจของเราว่าตรงนี้เนี่ยการปฏิบัติธรรมมันเป็นเรื่องของการที่เราทํางานกับใจของเราแล้วเราเองเราก็ไม่ให้ใจของเราเนี่ยมันบวมมองไปตามความอยาก วันนั้นนั่คือตรงนี้ถ้าเป็นหน้าที่ที่เวลาที่เราปฏิบัติทำกันเราก็เพียงแต่ว่าไม่ใช่ปฏิบัติที่ทางกายแต่ว่าหลักๆก็คือปฏิบัติที่ทางใจแต่ว่าในที่นี่เองหลวงพ่อคำแก่นเองก็บอกว่าไม่ว่าอะไรก็ตามเนี่ยเรากลับมาที่ฐานกายก่อนไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นก็ตามเรากลับมาที่ความรู้สึกตัวก่อนแค่นี้เองเนี่ยเนาะถ้าว่าเรียกว่าคำว่ากลับมาที่ความรู้สึกตัวก่อนมีความหมายที่สมบูรณ์มากๆก็คือ กลับมาเอาสติเนาะใช่มแต่ว่ามาตั้งสติเอาไว้ก่อนมาตั้งสติเอาไว้ก่อนไม่ว่าเราจะทำอะไรยังไงก็ตามเนี่ยถ้าเราเพียงแค่เราตั้งสติที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวต่างๆได้เนี่ยความอยากเนี่ยที่เคยนำชีวิตเราเนี่ยก็จะหายไปตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่หลวงพ่อก็จะพูดเนาะเปลี่ยนหลงเป็นรู้เนี่ยมันเป็นเพียงแค่เหมือนกับหน้ามือกับหลังมือแล้วก็ คำว่าเปลี่ยนหลงเป็นรู้ตรงนี้เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนชีวิตของเราจากการที่ชีวิตของเราเนี่ยเคยนำด้วยความหลงเนาะก็จะกลายเป็นชีวิตที่นำด้วยสติซึ่งมันจะมีความหมายที่กว้างไกลมากๆก็อยากให้พวกเราเนี่ยทุกๆคนที่อยู่ตรงนี้เนาะได้เห็นความสำคัญของการปฏิบัติธรรมแล้วก็ได้เห็นความสำคัญของความหลงได้เห็นความสาคัญของความ รู้สึกตัวหรือสติตรงนี้แล้วก็ให้พวกเราเนี่ยได้พยายามที่จะปฏิบัติตามที่หลวงพ่อครูบาอาจารย์ตามที่พระพุทธเจ้าเนี่ยได้สอนเอาไว้แล้วก็ตรงเนี้ไอความที่เราจะไม่มีทุก์เนี่ยตรงนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่พวกเราเนี่ยได้รับกันทุกๆคนก็พวกเรากลับมาพร้อมกัน